إلا ا ل ر ح م الله إنه العزيز الرحيم إنه العزيز الرحيم إن شجرة ت ز ق و إن ش ج ر تزقق I see. อัลลอฮ m มานุรรห์ไ i ์มอิน a ัลฮะมดุลิลลาฮฺนะฮฺมดุฮฺวันะอัลไกรนุฮฺวันะอัลต اللهم ب ك أصبحنا و ب ك أمسينا و ب ك نحيا و ب ك نموت و إ ل يكن نشور أعوذ بكلمات الله ا ل ت ا م ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد رسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل و ش ء ا ل ك ب ر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، اللهم عافني في بدني وعافني في سمي وعافني في بصر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ي ح ي ي يقيوم برحمتك أ س ت غ ي ث ه أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين حسبي الله ونعم الوكيل سبحان الله و, ال و ب ح م د ه عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم رحمتك أ س ت غ ي ر أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาสุบที่มัสยิดอันวาลิสุนที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตักเีร์ลกุรอานผ่านสวรรค์ในบ้านนะครับ ที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านนะครับละหามเดลิลากรอเดินผมขอชุโกตต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูบตาลาแล้วก็ขอเชิญชวนท่านพี่น้องให้นึกถึงอัลเลอฮฺเยอะๆนะครับพี่น้องมากกว่านึกถึงเงินมากกว่านึกถึงชื่อเสียงตงําแหน่งเกียรติยศและภรรยาให้นึกถึงอนะัลลอฮ์น่ะมากกว่าแล้วอัลลอฮ์จะให้ทุสิ่งทุอย่างนั่นนะ่ะราบรื่นหมดแต่ถ้าไปนึก ดุนยามากกว่าอารอิลเนี่ยท่านเครียดเองเครียดเองแล้วเรื่องจริงนะครับพี่น้องแล้วก็เครียดนะใครแก้ได้หายากินก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนึกถึงอ AH ัลลอฮ์เยอะๆแล้วก็ปฏิบัติตามกุรอานและสุนนะของท่านนาบีขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราทบทวนอัลกุรอานมายังไม่ได้หยุดเลยนะสี่สิบเอ็ดปีแล้วสี่สิบปี พี่นองคับยู่กับอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์สัญญาบอกว่าอะไรนะจะทําให้หัวใจของท่านพี่น้องนี่สงบในคุรอานนะอัลลบิซิคริลลัฮิตัดมอินุลกุลูจงรู้ไปเถิดว่าด้วยการรําลึกถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอธิบายอย่างงี้หนึ่งอ่านคุรอานเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์นมาทนึกถึงอัลลอฮ์การบริจาคนึกถึงอัลลอฮ์ การดูแลพ่อแม่ยาดาพ่อแม่ตัวเองแม้แต่แม่เลี้ยงก็ด่าเขาไม่ได้อ่ะมีศิทิด่าก็เลยนะเรามีหน้าที่ต้องดูแลเขาทําให้พ่อดีใจเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเลยนะอย่างพ่อเนี่ยอายุหกสิบเจ็ดสิบถ้าเขาอยู่คนเดียวก็หาเมียเขสิไม่ใช่เขาอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวเราดูแลเขาได้ล้ลางก้นเรากว่าล้ลางไม่ได้สิแล้วฉะนั้น หาภรยาให้เขาให้ภรยาเขาดูแลพ่อเรายกตัวอย่างนะถ้าพ่อเรามีชีวิตอยู่นะแต่พ่อเราตายหมดแล้วใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยทั้งหมดเหล่านี้นักปิกันซิกรุนเหรอเราจะ ต, ะตอบแทนของที่ดีกว่ามาให้เรามามาชา้าชานะไม่ใชมาพรวดพราดออกมาชา้าชาขอบคุณนลอร์นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านอัลกุรอานเราได้สรุปชีวิตบอกว่า ชีวิตหลังตายไปแล้วเนี่ยนะจะพบกับประมาณสักหลายข้อขอยกตัวอย่างนะครับหนึ่งพบกับความตายพอความตายเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในกุโบอยู่ในกุโบนี่มาใช้งานเบาๆหร้อนะคนหลายคนถ้าไม่เรียนกุอนอาหารไม่เรียนสุนาข น, นาบีนึกว่าตายแล้วไม่มีอะไรไม่ใช่อยู่ในสุสานนั้นถูกทรมานครับ แบบนอนฝันอลลอฮฺมะก็ อ, อ, กอธิบายดีนะแบบนอนฝันฝันร้ายตลอดนะ่จนกว่าจะฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพข้อที่สองมีบาซักเนี่ยข้อที่สองเนี่บาซักนะหมายถึงหลุมหลุมหลุมหลุมฝังศพข้อที่สี่มีการเป่าสังเป่าเป่าที่เป่าเนี่ยสองครั้งเป่าครั้งแรกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตายหมดและเป่าครั้งที่สองเนี่ยฟื้นมาหมดเลย แล้วก็ข้อที่สี่นะครับเราไปถูกรวมกันอยู่ที่ทุ่งมาชัดเนื่อมเรื่องจริงทั้งหมดนะแล้วก็มีการคิดบัญชีบัญชีความดีความชั่วของเราที่ทำนี่แหละนะครับข้อที่ข้อที่หกมีตาช่างข้อที่เจ็ดมีสะพานข้อที่แปดมีนรกข้อที่เก้ามีสวรรค์เห็นยังครับผ่านกี่ขั้นตอน หลังจากตายไปแล้วเนี่ยผ่านตั้งเจ็ดแปดขั้นตอนอยู่บนดุงจานีร์่นานผ่านกี่ขั้นตอนสามขั้นตอนเองอะไรตอนหนุ่มในตอนเด็กตอนหนุ่มแล้วก็ตอนตอนแก่สามขั้นตอนเองใช่ไหมแต่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะเนี่ยรอดช่วยขนาดไหนเนี่ยแล้วก็หลังตายไปเราจะคิดว่าไม่มีอะไรใครบอกอีกตั้งแปดขั้นตอนเก้าขั้นตอนจากนั้นต้องเตรียมตัว โลกอาคีรอมมากกว่าโลกดุนยาใบนี้ในตัปซีตอธิบายบอกว่าในตัปสีตอธิบายในหะดีต์บอกว่าในวันเกียร์มาเนี่ยอลัลลอฮ์จะแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มนะทุกวันนี้มันอยู่ปนปนกันหมดนะ่ะคนไม่นามายกับคนนามายคนทําดีนาไม่ทําดินาอยู่ปนกันหมดคนที่กินเหล้ามีกินเหล้าอยู่ปนกันหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครด้วยในวันเกียร์มาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มอย่างนี้ กลุ่มคนไม่นามาดอยู่กลุ่มหนึง่งคนไม่ถือศีลอดอยู่อีกกลุ่มหนึ่งคนที่ไม่จ่ายอากาศอีกกลุ่มหนึ่งคนที่ทะลาะกับพ่อแม่ตัวเองอยู่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ฆ่าคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าดากัวอะไรนะพวกขโมยขโจรอ่ะอเลาให้จัดอยู่อีกกลุ่มหนึ่งคนที่ชอบดื่มเหล้าเนิ่มน้ากระท่อมสูบบุหรี่อีกกลุ่มหนึ่งจัดเป็นหมวดเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มไปหมดเลย แลคนที่ชำซีนาใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งคนที่กินดอกเบีย้ยคนที่รับสินบนเนี่ยจะต้องเลือกตั้งใช่ไหมชอบรับสินบนกันนะพวกเรานะอย่าไปรับรับทำามาทาอะไรนะ่ะมันของฮารมใช่ไหมไม่มีก็อดถือบวช ด, ดูตามตามนาบีนะแล้วก็คนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนกลุ่มที่เรียนแบบคนกาเฟรยอย่างเนี้ย มาคืนเข้าดาาคนใช่ไหมละนั่นแหละเรียนแบบคนคนยิวูดีเรียนแบบคนคริสเตียนอันลลอฮ์เนี่ยเขาทําลายอิสลามรู้เปล่านะเขาทําลายระบบคอลิฟะเขาเปลี่ยนมัสยิดมาเป็นโบสถ์แล้วเขาฆ่าผีนองมุสลิมเขาสะใจแล้วก็เราเนี่ยไปเดินตามเขาเอกวันนี้ยไปเข้าดา่าว่าเขาด้วยเขาทําลายอิสลามในประเทศสเปนนอะ เอาล่าให้ฟังนิดนึงประเทศสเปนมุสลิมปกครองประมาณเจ็ดแปดรอยปีแล้วต่อมาเนี่ยเขากลัวอิสลามเนี่ยจะเจริญเข้าไปในยุโรปนะมันก็ต้องดักกันไว้อะพวกพวกยฮูดีกับนัสรลณีเนี่ยรวมตัวกันแล้วมุสลิมเราเนี่ยรวมมาที่ทมอนาห์มันจะผมพูดนะมอนาห์ผู้ทัสันอธิบายบอกว่าเขาถาาวอาจารย์ยุโรป ประเทอะไรน่สเปนพังเพราะอะไร เ, เ พ, พออราะมุสลิมทะเลาะกันพอมีอำนาจนี่ยนึงอ่ะทำเลาะทะเลา ะ, ะ, ะกันมึงทำอะไรผิดนี่หนึ่งกูด่ามึงอ่ะแล้วตั้งเป็นกลุ่มเป็นจาม้าเล็กๆด่าคนนั่นด่าคนนี้นัน่นแล้วก็ลืมงานดะวะอิสลามลืมงานเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์เห็นไหม แล้วก็เป็นงานกลางวันนี้ถูกพิชิตเรียบร้อยแล้วมุสลิมถูกฆ่าไปเท่าไหร่เนี่ยวันนี้สํานึกตัวกันบ้างหรือเปล่านี่ตามมันก็ต้องเตือนพวกเรานะ่ะไม่ใช่ไปทะเลาะ ก, กับเขานะั้นไม่ใช่ทําตัวนอมนอ้นอมถ่อมตนพระรามเรียนอัลกุรอานเรียนสุนนะนบีแล้วก็คุยกับเขาดีๆอย่าไปทะเลาะ ก, กับเขาใช่ไหมแล้วก็ไอ้ชั่วชั่วเนี่ยอย่าทำอย่างนี้เป็นทนนะครับ อ๋อแล้วคนที่บูชาไฟก็อยู่กลุ่มหนึ่งคนที่บูชากูโบเนี่ยอยู่อยู่กลุ่มหนึ่งคนที่ตกมาเป็นแขกแล้วตามผัวมาหรือตามเมียมาพอผัวตายเมียตายกลับไปเป็นศาสนาเดิมนี่แหละอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าตกมุดตัดมีตั้งกี่กลุ่มนะสี่ห้ากลุ่มด้วยกันยังไม่หมดที่มีอมากกว่านี้อีกอนี้เล่าให้ฟังที่เราสัมผัสได้นะครับนี่ในวันเกี่ยมาอัลลอฮ์เล่าให้เร า, เราฟังอมาวันนี้อัลฮัมดุลิลละ ทีนี้คนทั้งหมดเ่าเนี่ยอยู่ในนรกทั้งหมดนั่นแหละตกไวหรือตกช้าแล้ววันหนึ่งของอลัลลอฮ์ในวันกิยมามะเนี่ยคอมซีนะอัลฟาสนาะห้า0มื่นปีต่อหนึ่งวันแต่สำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยแป๊บเดียวอยู่ในทุ่งมาชาดเนี่ยตั้งแต่นมาตอัสรีจนกว่าดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าอยู่แป๊บเดียวเอง นี่ทำตัวยังไงให้เป็นคนดีต้องเรียนคุณอ่านนี่แลเรียนศาสนาเนี่ยเยอะๆนะครับอาทีนี้ภาพในวันเกียรมากก็คืออัลอาคิลล่ายาอุอิซิมบาอุดฮุมลีบาอุดินอดูคนที่รักกันบนโลกดุนยาใบนี้ไม่ใช่รักกันเพื่ออัลลอ์ี่นะเป็นศัตรูกันหมดเลยอัลอาคิลลาคนที่รักกันในวันนี้ ยาวไม่รินไปในวันนั้นบาวดูหุม่มหรือบาวดินอดุดต่างเป็นสัตว์ตัวอุดเรียกว่าเอนิมีต่างเป็นสัตตัวเดกันแล้วกันอิลัลมุตตีนอกจากคนที่รักกันวันนี้เพื่ออลลอฮ์นสามีภรร ย, ยรักกันเพื่ออลลอดูแลนักเรียนเพื่ออลลอดูแลคนยากคนจนเพื่ออลลอดูแลมสยิดเพื่ออัลลอดูแลเด็กกำพร้าเพื่ออลลอดูแลโรงเรียนเพื่ออัลอทั้งหมดต้องทในานามของอลล หมดเลยนี่อิสลามสอนดังนั้นอย่าอย่าอารักกันเพื่อเพื่อเพื่อเงินเพื่อนู่นเพื่อ น, นี่ไม่ใช่รักกันเพื่ออัลลอฮ์และสิ่งที่ตามมาผลพอยได้นะ่ะเต็มไปหมดเลยยังถือสัญญาอดเนี่ยบางคนเนีืดผิดเนืยถือสัญญาอดเพื่อลดเบาหวานมีเบาเพื่อลดความอ้วนเนีืดผิด เอนต้องถือสินอดเพื่ออลัลลอฮ์ผนพอยได้ก็คือเบาหวานลดไขมันลดอัน น, นันลดอันี้ลดหุ่นสแลนเดอร์่นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่า่อย่าไปเนียกตรงนั้นนอกจากทำเพือ่ออัลลอห์วันนั้นนะเขาจะรักกันใหม่จะอยู่ด้วยกันใหม่จะคุยกันยิ้มกันถึงจะอยู่คนละประเทศก็จะได้พบกันในวันนั้นรับ ย่าที่สี่สิบสองวันนี้นะครับอิลลามะรหิมัลลอออินนัฮุวะลอาซิซุลรหิมอิลลามะรหิมัลลอออินนัฮุวะลอาซิซุลรหิมอิลลามแปลว่าเว้นแต่ มันแปลว่าผู้ที่รอให้มาเนี่แปลว่าเมตตานอกเว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาเท่านั้นที่จะไม่มีปัญหาเดือดร้อนในทุ่งม่าจัดคนที่รอนเมตตาแต่คนที่ร้อเมตตานี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนบ้าๆอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นะไม่ใช่นะต้องยึดสุนนะนบีเป็นแบบคนเดียวเท่านั้น แต่นี้คำมาสู่หนานบีเนี่ยมันมันมันมันบาดหูเหมือนกันน่ะสําหรับคนที่ยึดยึดของที่มันจะสุ่หนานบีเนี่ยเป็นทางนําสําหรับชีวิตเนี่ยเพราะว่าสุนหนานบีเนี่ยมันบาดหูผมะมานหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังมามอบดุฮานิฟะผมจบวิชาอับดุลฮานิฟะมาผมรู้สุ่ยละอันบีฮานิฟะรหีมุลลอ มีคนถามอีมามบาบูฮันิฟ้าอีจากุลตะกาวลันว่ากิตาบุลลอหูยุคลิฟุหูท่านนสอนคนสอนคนสอนคนอัลลอฮ์ว่าอย่างงี้มันไปขัดกับคําพูดของอัลลอฮ์ท่านว่ายัางไงนี่มีคนถามอีมามบาบูฮันิฟ้าเนี่ยท่านสอนคนใช่ไหมสอนสอนสอนสอนให้ทําดีให้ทําดีทําดี วิกิตาบุลลอหุยุคอลิพูแต่ในกัมภีกุรานเนี่ยมันไปขัดกับที่ท่านสอนก็อละอิหมามอบบฮนิฟาตอบอุทรุกูจงทิ้งเรื่องของฉันที่ฉันพูดทั้งหมดบิกิตาบิลลาได้ไปยึดคำพีของอัลลอฮ์แทนนั่นอาเลมอเลมาเขาไม่ดันทุรังะก็ <c oughs> พวกให้ทิ้งของฉันแล้วก็ยึดของใคร ยิดของอัลลอฮฺแทนเอาต่อมาฝ่า ق ีลรามีคนถามท่านอีกอิดาก่านะคอยคาบบรุคาบบรุรอซูลยูคอลีฟูถ้าของที่ท่านนาบีสอนเนี่ยมันไปขัดกับคำพูดของท่านน่จะยึดของใครยึดของท่านหรือว่ายึดของนบีก็ลอิหม่ามอบุลฮะนิฟาตอบอุตรุกูกาวลีจงทิ้งคำพูดของฉันบิคาบบรุรอซูลีแล้วแล้วไปยึด คำสอนของท่านอบีแทนให่ไหมเขาไม่ดันธุรังอ่ะฝากีีเรามีคนถามอีกอิรากานนาคลุสสฮาบะถ้าคำพูดของบรรดาสาฮาบะสาฮาบะมีใครบ้างท่านบูบกักัท่านอุมาร์ท่านอุสมานท่านอาลีเนี่ยเขาสอนอย่างหนึ่งท่านสอนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะทำยังไงจะยึดของใครก็อิมาอมุทัตออบอุทรุกุเกาลี จงทิ้งคําพูดของฉันที่ฉันสอนบีเก้าลิสราบาไปยึดคําพูดของซาบะแทนเห็นไหมฉะนั้นคนที่ยึดคําพูดของคนนั้นคนนั้นแล้วก็ทิ้งสุนา น, นาบีเนี่ยต้องฟังด้วยนาะเอามาดูอิหม่ามชาฟังนี้พูดนะครับอันดีชาฟัอิบรากิมุฮัลลั อ, อันนะฮุกานยะยัคูลอีดะวะจัดตุมฟีกิทาบี خلاف สุนนติ رسول ลิละฟักูลูบิสุนนติ رسول ลิละอิหมามทาบไอ้พูดเองเมื่อท่านทั้งหลายเนี่ยไปพบว่าหนังสือของฉันที่เขียนเขียนเขียนเขียนไว้เนี่ยมันไปขัดกับสุนนะของรอสูล ล, ละละจงยึดสุนนะของท่านรอสูลลอละทิ้งคําพูดของฉันนี่พูดเหมือนกันอิหม่ามสงคนไม่ทั้งหมดสี่คนเนี่ยเล่ากค่สองพอ ว่าดมากุ้นตุและให้ทิ้งของที่ฉันพูดที่ฉันสอนว่าฟีริวายาฟัตตาเบยวห้าจงปฏิบัติตามสิ่งที่คำพูดของท่านนาบีเวลาติลตาฟิตูอลาเก้าลอฮัดินอย่าไปหันไปดูคำพูดของคนหนึ่งคนใดในโลกนี้ถึงจะเป็นอัเลมแค่ไหนก็ตามให้ยึดคำพูดของท่านรอซูลเป็นแบบในหนังสืออิบนุอสัสอากกตวัน มัมนาบ ว, วีอิบหนกอกยิมเห็นไหมทั้งสามมีมามในรับรองคําพูดเหล่านี้อยู่ในหนังสือฮักเกอ็ตุลฟึกก็หน้าเจ็ดภาไปเช็คดูเองนะครับท ม, มดูเอาวันนี้มาดูกุณอ่านนะครับอิลามาราะห์มัลลอเว้นแต่พูดี่อัลลอฮ์ทรงเมตตาคนที่รอ้อยใเมตตาเนี่ยต้องยึดกุณอ่านยึดสุนาัขนาบีเท่านั้นถ้ายังไม่เรียนก็ทําไปก่อนแล้วก็ค่อยเรียนไม่ใช่ไม่เรียน ใช่ไหมนะนะครับอินนหูแท้จริงนี่ต้องการจะอธิบายลักษณะของอัลลอฮ์ในเป็นคนประเภทไหนอินนหูแท้จริงพระองค์ฮุวลอซีผู้ผู้มีอำนาจสูงสุดแล้วก็อัลลอฮิผู้ทรงเมตตาเสมอจ้นั้นต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์อย่าขวางอัลลอฮ์ คนที่ขวางอลัลลอฮ์นะนีะ่เล่าให้ฟังเลยนะยิ่งขวางยิ่งเพลินยิ่งอร่อยและอลัลลอฮ์ไม่ให้ลำบากหรอกครับคนที่ขวางอลัออลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้ให้อะไรเยอะไปหมดอ่ะหรือไม่ให้ให้แบบไหนให้แบบหนู ขายกตัวอย่างคนที่ปฏิบัติตามอลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์ก็เลี้ยงดูแบบเราเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่เลี้ยงคนใช่ไหมแล้วก็ให้ด้วยความรักด้วยความเมตตาเลี้ยงเอาเงินในภรรยาชายด้วยความสงสารด้วยความเมตตาแต่นี้หนูนี่เราก็มันไส้มันวิ่งอยู่ในบ้านเราเรต้องการจะจับมันมันก็จับไม่ได้มันวิ่งไวกว่างะ่ะอลัลลอฮ์ก็ เล่ารี่อุลมามะเล่านะเราก็ต้องการจะจับหนูทําไงจะจับมันนะเราก็ต้องเลี้ยงให้อาหารมันกินน่ะซื้อกงมาใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมเราไปซื้ออะไรอนะ่ะเนื้อบังอะไรบ้างเป็ดบ้างไก่บ้างเอามาวางไว้การให้อาหารเนี่ยต้องการจะเล่าคนกาเฟที่อยู่บนโลกดวงยาไปนี้ถั้าทตำตัวทรยศต่อร้อนะ่ะเราก็เลี้ยงนะแบบเราเลี้ยงหนูนั่นแหละ หนูเห็นโอ้โหอาหารกูเต็มเลยก็เข้ามาถูกจับเหมือนกันนี่อธิบายง่ายๆเพื่อเข้าใจง่ายๆเพราะเราเป็นคนคยฉลาดเท่าไหร่เรา ก, ก็เป็นน้องตัวรองว่าอร่อยเลี้ยงไหมเลี้ยงคนไม่เอาศาสนาอร่อยเลี้ยงไหมเลี้ยงก็ดูฟิรูนอร่อยเลี้ยงเปล่ากอรูนเลี้ยงป่ า, ปาให้เงินมากที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครรวยเท่ากับ ก, บกอรูหรอกก็เฉพาะ ลูกกุญแจอย่างเดียวนะ่ะขายคลังคนแบกตั้งเจ็ดแปดคนละรอดไม่หลักฉะนั้นมาเนิยต้ามาดาอาลามาลิฮีใครที่อะไรนะยึดมั่นหรือมั่นใจหรือว่าฝากชีวิตของเขาไว้กับเงินของเข า, ไ, เขเขาไม่เอาอัลลอฮฺเองไปไม่รอดใครที่มาเนิยตามาดาอาลาสูลต่อนีฮีใครที่ฝากชีวิตของเขาไว้กับอำนาจนะตำแหน่งอย่างฟาโรห์เนี่ยตำแหน่งกษัตริย์นะฉันยึดตําแหน่งนี้แหละ แล้วก็ไม่กราบอัลลอ์ด้วยไม่กราบดานบีมูซาไล่นบีมูซาเข็นฆ่านบีมูซาแล้วเป็นไงครับรอดั้มไม่รอดอุลมอต์เลยสรุปบอกว่าฟันนี้ะระมด า, าสุลต่อนีใครที่ไว้ชีวิตของเขาฝากชีวิตของเขาไว้กับอำนาจการปกครองฟกบดละ่ะเขาหลงทางอยู่กับอัลลอ์ท่านคนที่อยู่กับอัลลอ์เนี่ยอัลลอ์ก็ทดสอบ อ, อย่าคิดว่าถ้าอยู่กับลอดแล้วก็ต้องรวยตลอดราบรื่นตลอดป่วยครับจนครับอย่างนาบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลตัวอย่างใช่ไหมนบีบ้านใหญ่หรือบ้านเล็กโอ้โห oh. แล้วก็นบีถือสันนิษามากไหมมากกว่าถามภรรยาวันนี้มีเบรกฟาสให้ฉันทานไหมภรรยาวโนไดไอสโนเบรกฟาสตูเดนเรียกว่าแอมคีปิงคีปิงฟาสฉันถือสนอันนิ นี่แบบอย่างสุนหนห나ของท่านนาบีเราไม่เรียนเหรอทิ้งเลยละ่ะนี่งานสุนน า, นาบีเนี่ยฉะนั้นเราไม่บ่นเยอะอะมีปัญหาเดือดร้อนเราก็น้อมรับด้วยความเต็มใจอลอนร้องให้เราป่วยแต่จะเพิ่งไปหาหมอนะทําไงก่อน <c oughs> ขออนุญาก่อนอลอนร้องอักบานย่างเจ็บหัวเข่าเนี่ยผมเจ็บหัวเข่าบ่อยเนี่ยนมาตั้งนั่งนมาเมื่อกี่ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่หายแต่ผมก็อ่านดูอ่ บิสมิลลาฮ์บิสมิลลาฮ์บิสมิลลาอะลัซุบยักษิะติลลาฮิวะกุดดรัติฮิมินชารีมาอะจิดุบะฮัดิรอันเจ็ดเที่วนะ่ะอันทุวันละวันถึนงหลายรอบ อ, ะอ่ะอัลลอฮ์ก็ยังให้หายบ้างไมห่หายบ้างแต่นึกว่าที่ไม่ให้หายให้เจ็บด้านนี้เพราะเราเป็นคนชั่วผมนึกแบบนี้ก็เลยนะต้องการจะลดความชั่วของเราที่ได้ทำเอาไว้ในอดีตอา่าหรือปัจจุบันนี้เราอาจจะมันไส้คนนี้อยู่ในใจใช่ไ ก็เนี่ยเป็นความผิดเหมือนกันเลาก็เอาเจ็บโน้นเจ็บนี้มาแทนต้องน้อมรับด้วยความเต็มใจแล้วก็กลาวว่าไงนะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอ ย, ยอย่าพึ่งไปหาหมอแต่ผม ก, ก็ไม่ไปหาหมอกี่ ป, ปีแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ไปนะครับนะครับอาตัวมาอิลลามะราะฮิมะลอหเว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงเมตตา อินน a h แท้จริงสิท์ฟัของอัลลอ์เนี่ยนะอัลอาซีผู้ทรงอำนาจอัลรอฮีอมผู้ทรงเมตตาเสมอเมตตาเสมอเนี่ยเฉพาะมุมินในวันกิยามะเท่านั้นแต่ถ้าดูแลทั้ง ส, งสองสองโลกนะทั้งมุมินไม่ใช่มุมินคอือเรว่าอัรอฮีมอ่าดูแลหมดเลยจะเอาอัลลอฮ์ไม่เอาเอาัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลหมด แล้วก็ดูแลคนกาเฟ่เนี่ยมากกว่าคนมุมินด้วยนะสังเกตนะเข้าไดาก็ทมได้เราทมได้เปล่าเราไม่ได้ทำใจมันอยากจะทำอยากจุดพลุที่นี่อยากอะไรนะสวรรณรอรเก้ามยนะโซนโซนโลองรอเก้าผมน่นหลับไปแล้วบางคนมันตื่นอยู่จะดูเราก็เป็นห่วงไงนะเราก็เตือนได้นี่เขาเฉลิมฉลองทำลายอิสลามรู้ป่าต้องเตือนกันนะครับ อาทีนี้นบีพูดอย่างนี้ถ้าไม่เอายึดถ้าไม่ยึดนบีเป็นแบบยิงนะสวสกก่อนสวสกก่อนห่างไกลห่างไกลลิมันร้อยยอรอบาดีคนที่เปลี่ยนทางนำโหนทางหลังจากฉันตายไปแล้วไปยึดสิ่งอื่นแทนคำสั่งของนบีของอัลลอฮ์คนนี้นะ่ะสวสกกอนแปลว่าฟาเวห่างห่างห่างห่างจากความเมตตาของอัลลอ์นะครับ ลิกายาหนึ่งน บ, บีบอกว่างี้ครับอามิลาตุนซิบัคนที่ทํางานม า, านจะเอาโซน่านบีมาชายนี่เเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยครับอามิลาตุนซิบักทำงานหนักตอสลานารอนฮามิยาเข้าไปอยู่ในไฟนรกให้ไหมทํางานเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ผลบุญไม่ได้ นั่งดูฟุตบอลที่กาตาเนี่ยตีหนึ่งตีสองตีสามะดูมากี่วันแล้วไม่เคยน้ำมาตาหยุดต่อรอดเลยถามว่าลุกขึ้นน้ำมาตาหยุดก็เหนื่อยดูฟุตบอลก็เหนื่อยอันไหนเหนื่อยละเมีรางวัลนะ่ะมันต้องใช้ปัญญาบ้างอะ่ะโอ้ลุกขึ้นน้ำมาตาหยุดนี่ดีกว่าไอเหนื่อยเพราะเล่นนุ้นสมัยก่อนมีอะไรอะ่ะคนเล่นจะได้กันอะ่ะ แห่งสดุกเกอเนี่ยตัสลานารอนฮามิยะอามิลตุนนาสิบาทำงานเหนื่อยตัสลานาโยนนารอนไฟฮามิยะร้อนทำงานเหนื่อยร่วมตายแทนจะได้สวรรค์กลับถูกโยนลงไปในไฟนครอยู่นั่งอานเล่มเล็กอะไม่ใช่ละ ที่อิหมามอ่านวันสวดถังว่าเตือนเตือนคนที่มานามาดเองอย่าหลงดุญยาแต่เราอาร่อานมาอ่านไม่เข้าใจใช่ไหมอิหมามโชว์เสียงอย่างเดียวเลยอามิลตุนซิบะตอสลานนรอนฮักแปลว่าะไม่ ร, มรู้อันนี้ก็ติแต่พวกแต่พวกเราด้วยเล็ก น, น, น้อยน่อยอาต่อมากับข้อที่อยายะที่สี่บสาม อินน่ชาจารตัสักุมอินนชจารตักคุมเมื่อตกนรกไปแล้วเนี่ยเนี่ยร้อเล่านะในนรกก็มีเมนูอาหารนะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ตกอยู่เฉยๆเรามีอาหารด้วยอยู่ในสวรรค์ก็มีอาหาร อัลล์เล่านะชีวิตในสวรรค์เนี่ยอาหารมื้อแรกที่อัลล์จะเสิร์ฟบริการนะคื อ, อาฟาฟาวาคิฮผลไม้วาฟาคิฮติมมิ ม, มายะตะคอยยะรูนวละลมิตริมมิ ม, มายตฮูนวะนนึนงเอาเอาชาวสวรรค์ก่อนนะผลไม้หลากหลายชนิดเลือกเอาทานข้อที่สองเนื้อนก ทอดหรือปิ้งหรื อ, อย่างเราก็ไม่รู้บริการที่สามฮาวูนไนนหญิงชาวสวรรค์เห็นไหมอะไรก่อนนะผลไม้แล้วก็ตามด้วยเนื้อนกตามด้วยฮาวูนไนนี่อาหารของชาวสวรรค์เมนูชาวสวรรค์อยากได้ไหมละ่ะก็ทำทำบุญ ด, ดุลยานี้ก่อนผมทําอยู่ตอนนี้นะ กินผลไม้ก่อนทานผลไม้ก่อนสา ม, มื้อเลยนะอย่างน้อยกล้วยกันหนึ่งลูก อ, อินบาลามกันสามเม็ดผลไม้กินก่อนแล้วก็ทานด้วยอาหารหนักแล้วก็เฮาตุวเองก็ตามมาด้วยโอ้โหไม่เบานะแข็งแรงนะสักดีนะอันแต่แค่นี้พออทีนี้อินาชาดารตาซักบูมอินหน้าแท้จริง ต้นไม้ชาจรรย์แปลว่าต้นไม้ต้นไม้นี่บรรดาเรียกว่าต้นไม้ชาจรรคือต้นไม้อสักูมต้นไม้จักูมขึ้นในนรกอบูยฮันลุงนบีเนี่ยมมัดสอนอะไรวะหลานคุณคนนี้มันเพี้ยนน่ะมาสอนรว่าในในนรกก็มีต้นต้นไม้ด้วยจะรกเนี่ยมีต้นไม้ได้ยังไงมันร้อน แล้วก็กตําหนินบีว่านบีอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังหมดเลยเห็นยังครับจะนั้นอย่าลืมว่าอัลลอฮ์นี่นะส่งนบีมาอัลลอฮ์ก็ดูแลนบีปกป้องนบีใครที่ขวางนบีนี่ไม่ใช่นบีไม่รู้นะนบีรู้หมดแล้วอัลลอ์เล่าให้นบีฟังทุกขั้นตอนเลยนะครับอินชาอัลลกฮฺ แท้จริงต้นไม้รักกูมเนี่ยรักกูมเนี่ยนะเป็นเป็นภาษาหรับเป็นอาหารชนิดหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่ในนรกอ่เป็นงี้อาหารของชาวนรกและเครื่องดื่มของชาวนรกนะมีทั้งหมดเอาอาหารมีอยู่ทรายการอาหารนะอรรอาารนะของชาวนรกหนึ่งรักกูมต้นไม้ที่เหม็นเน่ารักกูมเน แปลว่าต้นไม้ที่เหม็นเน่าอันที่สองบริยดบริใน ก, กรุรานมีแปลอะไร น, นะนามริสลีนแปลว่าน้ำหนองอันที่สี่ า, ร า, รารุสออาหารที่กินแล้วติดคอมีกี่เมนูหนึ่งจกกูมแปลว่าอะไร น, นะ ต้นไม้ที่เหม็นเน่าเป็นอาหารของคนชาวนรกมันต้องกินครับเพราะมันหิวหิวแล้วอะไรอะไรก็กินหมดอ่ะสองบรียนามอันที่สามกิสลียนน้ำหนองน้ำหนองมาจากไหนอ่ะน้ำหนองจากคนนรกด้วยกันนี่แหละที่มันไหลออกมาเนี่ยแล้วก็ต้องกินไม่กินก็ไม่ได้มันหิวอ่ะ นี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อไม่มีปัญหาครับไม่ได้บังคับใครรับอิสลามนะนามานะเราไม่บังคับใครจะเล่าให้ฟังเองอยู่ตามยาฮูดีอยู่ตามใครเฟรนกูอยู่ตามกอฮออกรู่นก็ได้อย่างเมื่อคืนก็เข้าวดางก็ไปเหอะใช่ไหมแต่เองจะเจออย่างนี้แต่ถ้าไม่เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮฺ ซักกูมเป็นไรนะต้นไม้ที่เหม็นโดยเรียกเปลว่านา้ำกิสลีนแปลว่าน้ ำ, นนำหนองจากุ่ร้าอาหารที่กินแล้วติดคอเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังนบีก็มาเล่าให้เราฟังอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดนี่เมนูอาหารชาวนรกนี่เล่าให้ฟังก่อนนะครับเอาต่อมามาดูเครื่องดื่ม <c oughs> เครื่องดื่มแล้วครับพี่น้อง ชลอบุหุมเครื่องดื่มของชาวนรกก็คือมาอุนไฮมีน้ําเดือดเดือดมีอยู่ห้ารายการอาหารมีอยู่สีเครื่องดื่มมีอยู่ห้ามาอุนไฮมีน้ําเดือดเดือดอันที่สองมาอุนสวดีน้ําหนองข้อที่สามมาอุนกัลมุฮลีเสมือนน้ําทองแดงน้ำทองแดง ข้อที่สรก็สน้ำเหลืองอ๋ oh, <Lord. S 1> ข้อที่ห้าีนตุลขบาลเหงื่อของชาวนรกที่ไหลออกมานั้นเป็นเครื่องเดิมของคนชาวนรกเหงื่อของเราเองอะ่ะอยู่บนตุ ญ, ญ า, ายาไรยังเหม็นไม่ใช่เหรอท่านตกลงก็มีอยู่ห้ารายการมาอุนฮามีมน้ำเดือ ด, ด, อดสองมาอุนสอ ด, ดีน้ำหนอง สามมาุงกัลมมลิเสมือนน้ำทองแดงสี่กศากุลน้ำเหลืองห้าตีนตุลขบานเหงื่อของชาวนรกอัลลบอบันอจุบิลาอินซาลิกอับูจะฮันเนี่ยเยอะเยอยน บ, บีนะครับอัครญาสัยิดเป็นมันซูลอันอบีลมาลิกก็แ้นอับาจาลิน ก็นายาตีบิดตมเรืบาุด้วยตามาอบูยาเนยลุงนบีเนีมอินพาลากับเนยแข็งแล้วก็มาเคี้วกับแบเนีักกูโอหดูถูกนบีอัลลล่าให้นบีฟังหรืออย่างนี้อลแล้วเขาก็เียว นี่ว่านี่ไงต้นไม้สกกูมที่มุฮัมหมัดสัญญาว่าคนที่ไม่ยึดตามนบีมุฮัมหมัดถูกแบบนี้อัลลอฮประทานอันกรุาะลงมาเลยอินนาชัลลอฮตะสกูมต้นไม้สกกูมไม่ใช่อินทพลัมไม่ใช่เนยแข็งแต่เป็นน้ำที่ต้นไม้ที่มีอะไรนะที่ต้นไม้ที่เหม็นเน่าเกิดขึ้น ที่ไหนยิ่งร้อนจัดที่นั่นจะ ต, ต้นไม้ต้นซา ก, กูมันจะขึ้นจากก้นเบื้องของของไฟนรกเลยแล้วก็เป็นอาหารของใครนะต่อมาครับอยายที่สี่สบสี่ต่ออามุลอาซีมต่ออามุลอาซีมตอแปลว่าอาหารอาซีมแปลว่าคนที่มีบาป เราอ้บิลลาเาเนี่ยพออา่อานกุเรียนเราก็กลัวลนะนะถ้าไม่อา่านสบายไม่ต้องรู้อะไรเลยในยอผมพูดเองไม่รู้อะไรเลย่ยสบายถ้ารู้กุเรียนก็มันก็กลัวลนะนะตอหาว่ารู้ก็ไม่รู้อะ า, าดีกว่ากันรู้ดีกว่าครับแต่ชัตอนมันชอบเองต้องอยู่อย่างนี้แหละอยู่เฉยๆอย่าเรียนอย่าจัดอบรมอย่าจัด คอนคอันงกุฎบาปเอาคนโง่โ ง, ง่ขึ้นไปพูดร้อยตวอะไรวะนบีนี่ยาๆๆๆนี่แหละเข้าใจปะแตกแค้นนี่พอต่อาม u ลอ s i m เป็นอาหารของคนบาปในสุราอัลวาติยาอธิบายบอกว่าละอาคิลูนา ม, มินชาจรอติมมินซักกูมเป็นคนคนบาปเนี่ย จะได้กินผลไม้ของต้นรักกูมฟามาลีอูนามินฮัลบบตูลและพวกเขาจะเติมทองให้แน่นจากการกินต้นไม้รักกูมฟาชาริบูนอชรบลัลีพวกเขาดื่มเหมือนการดื่มของอูดฮารานุซูลูฮุมยาอุมดีนั่นคือการต้อนรับของพวกเขาในวันตอบแทนอลัล อ, อัลมูรอตความหมายก็คืออบูญาฮันเต้องถูกแบบนี้แล้วก็คนที่มีนิสัยแบบอบูจาฮันที่ดูถูกแล้วก็คนที่ปฏิเสธว่าไม่มีอัลลอ่าจะได้ถูกแบบนี้นั่นเขาเรียกว่าคนที่มีแบบฟีกุลอาอัตในทุกทุกยุค ท, ทุกสมัยจนกว่าจะถึงวันกิยามะก็จะชัดท่านใครที่คิดแบบอบูจาฮันถูกหมดครับแต่วันนี้อัลลอ์ให้อยู่สบาย บ้านใหญ่ๆญจะไปเลยรถหลายๆคันเมียสวยๆเมื่อต้องมีก้าด้วยเอาไปเลยเชิญตามสบายพอวิญญาจะมาถึงก็ห อ, อยอียาเอาลอจากุลโลฉันพลาดไปแล้วเปลี่งเวลาหน่อยได้ไหมฉันจะได้แก้ตัวหันมาเรียนาศาสนาจะมาเป็นมุสลิมพอแล้วพอแล้วพอแล้ ว, ลวดังนี้เป็นต้นตุกหรื ว, ว่าวันเกียรติมีไหม ม, ตมีตายไหมตาย ตายแล้วตายเลยไหมตายไม่เลยครับจะต้องฟืน้นขึ้นมาในโลกอาคือเรามีปัญหา้องเยอะแยะไปหมดกี่รายการที่ตามม า, ากี้นะดเกรายการอย่างนี้ไปนตอนอ่ะต่อมาครับอ้อที่สี่สห้าัลมฮลยลีฟิลบุตุัลฮลียากลีฟิลบุตุนกาแปลว่าเหมือนหรือเช่น อันมูลีแปว่าทองแดงหรือโลหะที่ละลาย อ, าลอ๋อเนี่ยอาหารเมนูเครื่องดื่มของชาวนรก อ, อ๋อบัดบัดเช่นทองแดงที่ละลาย อ, าลอ๋อหรือแท่งทองแดงที่ถูกหลอมนี่น้ําทองแดงที่ถูกหลอมเป็นเครื่องดื่มของคนเชา้านรกในเล่าให้ฟังเรื่องหน้า พระทีม่มาเยี่ยมกูอานนอ่านกูอานเจออายานี้หรือเปล่า <ś c oughs> สงส <ś c oughs> ถ้าเจออายานี้นพูดไม่ออกอะ่ะ <ś c oughs> อัลลอะหุออัลล์ก็ส่งมาให้เห็นใช้ไหมคนที่แอนตี้อิสลามอัลลอฮ์ให้อยู่อยู่สบายนี่นอนก็รหลับดาวลอดาร่งซุดาด า, า, านดาเชิญตามสบาย <ś c oughs> อัลลอฮ์ไม่ให้บ้านพังด้วย แล้วก็ไม่ตัดเงินเดือนด้วยอยู่ไปแต่เองจะสำนึกตัวอยากจะเป็นมุสลิมตอนไหนตอนที่วิญญาณจะออกจากร่างครับในสุรอัลหัจย์ยีสบสองอธิบายอาย่านี้ فالذين كفروا ق ط ع ม ل น م سياب من النار يشرب من فوقي روحهم ร ؤ و س ه مُلْحَمِينَ ف ا ل ذ ِ ي ن َ كَفَرُوا ق ط ع ت لَهُمْ ย ي ا ب ม مِنْ نَارٍ يَصْرُبُ مِنْ ف و ق ر ؤ و س ه م ل ح م ي م คือกุรอ่านอธิบายกุรอ่านด้วยกันเองนะอันเปลก็คือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรันั้นอันลลอฮจะให้อภพรที่ทำด้วยไฟ ถูกตัดไว้สำหรับเขาแล้วเย็ยบตกลงงานไหนไม่รู้แต่ว่าถูกตัดไว้แล้วใช่ไหมนะต่อมาครับแล้วก็มีน้ำร้อนเดือดจะถูกเทราดบนหัวของเขาพูดหัวแพลพูดศีรษะจะมีน้ำอะไรนะน้ำทองแดงเห่น้ำเดือดถูกราด บ, บนศีรษะของพูกเขา ยุสฮรูบิหิมาฟิบุตูนิหิมวะจุลูดวะลาหุมะกอมิอุมินฮัดีสิ่งที่อยู่ในทองของเขาและหนังจะอะไรจะละลายด้วยน้ำร้อนที่เดือดวะลาหุมะกอมิอุมินฮัดีและสำหรับพวกเขาจะถูกทุกด้วยคอนเหล็กทุกตั้งแต่กูโบแล้ว นี่ทำอย่าันฮะดีสไม่รู้ทุบตั้งแต่กูโบครับตอนที่มาลายกามามาถามมุกามารับบกูกาบรรนาบีอยู่กามันอิมามกูกาฮาไอลาอเดรีละฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ปรีย่ยนนี่ไงามากร์เนี่ยคอนฮะ ด, ดีธรรมาจากไอรอนจากเหล็กทุบตั้งแต่กูโบครับถ้าใครรู้บ้างอ่ นี่เป็นความลับที่อัลลอฮ์เล่าให้น บ, บีฟังให้น บ, บีมาสอนอ้าไม่เชื่อลองตายดู <c oughs> มันเรื่องจริงทั้งหมดอัลลอฮ์เล่านันกพิกาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับไม่มีคําว่าโกหกอ้าเด็กที่อยู่ในครันมาตรฐาเนี่ยก้าเดือนก็ก้าเดือนมีใครบ้างที่จะเหนือจากกดที่อลัลลอฮ์วางไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมากับ นี่น บ, บีศอ น, นะครับพระรามผู้เรานะคนที่เข้าใจสุนนะแล้วเข้าใจกุลอานแล้วเนี่ยพยายามออกห่างคนเจ็ดจำพวกออกห่างนะหนึ่งคนมุนาฟิกคนหน้าไหว้หลังหลอกคืออยู่กับเขาได้แต่พยายามเตือนเขาถ้าเตือนไม่ไหวก็ค่อยห่างๆมาหน่อยหนึ่งคนหน้าไหว้หลังหลอกมุนาฟิกคนที่สองคนที่อิจฉาคนเนี่ย พยายามออกหา่างเขาหน่อยระวังตัวระวังตัวกลุ่มที่สามอรรรยบมาคนที่ชอบนินทาคนอื่นว่าคนนั้นว่าคนนี้ถ้า ล, ลืมตำาหนิงตัวเองอ่ะมีเปล่า <c oughs> เตือนนะครับ <c oughs> ข้อที่สี่นะครับคนที่คุยโอ้อวดว่าฉันแน่ฮมีเปล่ามีเยอะนะครับอา้าค่อยค่อยคุยกันไปข้อที่ห้าชอบหาเรื่องมาให้เราอ่ะ ชอบเอาคอดีมาใส่คนนั้นเป็นง้นคนนั้ น, นเป็นอย่างนี้โอ้โหอักบัตต้องออกห่างแล้วก็นั่งเฉยเฉยเงียบเงียบนะครับข้อที่หกไม่รักษานาใจมนุษย์จะเป็นมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยหรือคนกาเฟ่แล้วมันรักษานาใจก็เลยข้อที่เจ็ดนี่นะครับกลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าตัวเองนี่เป็นเพื่อของอุลมามะทั้งหมดเนี่ยคนเจ็ดกลุ่มนี่พยายาม อยู่ห่างๆหน่อยแล้วขอด้อาให้เขาอัลลอฮจะให้คนเจ็ดกลุ่มนี้ได้เข้าใจอิสลามโดยเถอะให้เลือกทงความชั่วดีถูกอย่าไปด่าเขานะให้ขขอด้อาให้เขาให้เขาแก้ไขปรับปรุงตัวเองครับอายะห์ที่46ครับกลยิลฮามีกลยิลฮามีพูดตเรื่องอะไรนะ ออทองแดงที่ถูกหลอมมันจะต้มเดือดและอยู่ในท้องของขอ ง, ของพวกเขาเหมือนกับก้าเหมือนกับก้อลก้อนยี่แปลว่าเดือดพล่านอัลฮามิมของน้ำร้อนเหมือนน้ำร้อนที่ต้มอยู่ในหม้อนเนี่ย อ, อ่านบีกูรอ่านอธิบายชัดนะเพราะเราต้มน้ำอยู่ในอยู่ในกาใช่ไหมมันเดือดอยังไงก็มองก็นึกถึงผ้ามันเกียมัดด้วยมัน มันเดือดอยู่ในท้องเรานะเปลืบเปลือบเเนี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อก็ได้ไม่มีปัญหานะครับตกลงว่าอลัลลอฮ์ให้เราเข้าครัวบ้างไม่ใช่ผู้หญิงเข้าอย่างเดียวนะผู้ชายเข้าครัวด้วยตน้ำต้มน้ําด้วยจะได้เห็นภาพเหล่านี้แล้วก็นึกภาพอาคิรราะที่อลัลลอฮ์ว่าอลัลลอฮ์จะให้อะไรนะไอ้ทองแดงที่ถูกหลอมนะ่ะต้มเดือดอยู่ในท้องของพวกคุณ เองเป็นยังไงก็ดูตมน้ามันเดือดยังไงมันพัานนี่แหละเหมือนกันจะได้อีมาจะได้เพิ่มขึ้นจะได้ถอมตนต่อล้อจะได้ให้าภัยกับคนที่ด่าเราแล้วก็ออกห่างจากคนที่เจ็ดแปดจำพวกเรียกว่าขอุัวให้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับปัจจัยะที่สี่สิบแปดซุ่มมาซุ บ, บ ฟาอุกอร์ซิฮิใช่เปล่าขุ זו ฟะติลุอิลลาซาวะอิลจหิมขุ זו ฟะติลุอิลลาซาวะอิลจหิมอัลฮัมดุลิลลาห์สี่สิบเจ็ดนี้หนักครับขุ זו แปลว่า นี่อัลลอฮ์สั่งมาลายกานะจงอะไรนะอัลลอฮ์ตัดกับมาลายกาบอกว่าขูซูฮจงจับเขาอยา่ยาจะอยา่าอย่าอย่าไปนึกภาพว่าพ่อจับลูกหรือแม่จับลูกไม่ใช่เคาว่าจับตรงนี้หมายมถึงรอมันหนักนะจับพอความรัก กับจับพราความหมั่นไส้กับจับเพราะพ่อศัตรูมันต่างกันนะขู่รู้โฮจงจับเขาไม่จะจับธรรมดาแล้วเนี่ยนะในตับซีตบอกว่าดึงขมอมด้วยดึงดึ ง, ด, งดึงผมกระชากขึ้นมามันจะเหลือสนะิแล้วก็มาเลกานะ่ะองค์เดียวเนี่ยนะที่มาพริกอะไรนะพริกแผ่นดินที่ประเทศเดดซี sea, ปัจจุบนนันเนี่นั่นใช้มาร์กาองค์เดียวนะ่ะ ยกแผ่นดินขึ้นแล้วก็แทรกลงมาเนี่ยกลายเป็นเดซีปัจจุบันเนี้อัลลอ์ให้เห็นนะเลยเตือนพวกอาหรับว่าเองเดินผ่านเดซีอยู่เองได้ข้อคิดอะไรบ้างแล้วก็เตือนคนไทยด้วยที่ไปเที่ยวเดซีนะได้อะไรกลับมาคุยออมเก้าอี้ไปวางโอ้โหดีมันไม่จมมันลึกกว่านั้นก็มีไม่ใช่ทำไมไม่คิดอะ่ะคนเหล่านั้นเป็นคนที่ปฏิเสธอัลลอ์ปฏิเสธนบีลูต แล้วก็ผู้ชากับผูชาร่วมร่วมกันอยู่ด้วยกันไม่เอาผู้หญิงแล้ววันนี้มีเปล่าอันนี้ร อ, อปล่อยไว้นะเอาอยู่ไปเ อ, อยู่ไปอยู่ไปเดี๋ยวเจอเพราะนาบีขอนุอารวะอลัลลอฮฺจะอย่าเพิ่งลงโทษคนที่ทำบาปรออรับดวงอาเลยครับขอบคุณอลัลลอฮฺนะวันนั้นเราเนี่ยอลัลลอฮฺยังไม่เล่นงานะเราเราต้องนึก โอ้วเรานี่ทําบาปตั้งเยอะนะอัสตาฟุรุลลอฮ์ได้ผมที่กล่าวคำนี้เยอะนะอัสตาุรุลลอฮ์เรจะัยะโทษนะครับพระเจ้าได้เกิด อ, อัสตาฟุรุลลอฮ์เพราะนาบีทาเป็นแบบอย่างเอาไว้อัสตาฟุรุลลอฮ์อัสตาฟุรุลลอฮ์อัสตาุรุลลอฮ์อัสตาุรุลลอฮ์ฟาติลูจงลากเขาอัลลอ์ให้ไมจับแล้วลากนึกภาพ อืจับจงขาจับเขา ห, หู้ไปเอกพจน์นะฟักขู่รูจงลากเขาตัวใครตัวมันถูกลากหมดรถจะททำบริการลากทีละคนละคนละคนละคนละคนประชากรมุสลิมประชากรโลกจะได้มีเจ็ดเจ็ดพันล้าน ล, ละรุ่นติ ก, ก่อนก่อนมาอีหละจนกว่าจะโดนกีดมากไม่รู้ว่ า, า, ากนะินแสนล้านน่ะถูกลากบทท่าแหา่งศาสนาจงจับเขาฟ้าตีรูหุ่นแล้วก็จงลากเขาไปไหน อิลาสุสาวะภาวะกลางอัลญาฮิมไฟไหม้ที่ลุกจ้าลงไปในนรกที่ลุกจ้าแล้วนรกนี่มีจริงไม่มีครับมีวันหนึ่งนบีนั่งที่มัสยิดเนี่ยได้ยินเสียงดังตึง้งมัสยิดซันานานบีทารุมไม่เสียงอะไรเนี่ยจะบอกให้รู้ครับนี่แหละเสียงก้อนหิน ที่อัลลอฮ์ให้มะเลยการเนี่ยโยนก้อนหินจากปากนรกมาเพิ่งมาถึงไรนก้อนนรกเพิ่งถึงพื้นหดเดี๋ยวนี้สั่นอย่างนี้เลยนี่เรื่องจริงทั้งหมดน บ, บีก็พูดในสัฮาบาฟังก็กำบันทึกเก็บมาเป็นหะดีษเนี่ยทำในนี้ไม่เรื่องจริงทั้งหมดพี่น้องด้วยฉะนั้นวันนี้เราอยู่ตามนาบีดีกว่า อยู่ตามซาฮาบ้านนบีวะกาอยู่กันยังไงฉะนั้นให้ทำเจ็ดข้อนะันหนึ่งให้อ่านกระานทุกวันสองนำมัดอย่าขาดสุนงสุนัดเก็บด้วยนะทหารยุตเก็บด้วยอายุเท่าไหร่เลยหกสิบแล้ว ม, ม, มันแกนามานเมื่อไรกันนะแล้วก็นามานดุฮะเก็บด้วยนามานสุนัดก่อนนามาซูฮัดอีกสี่เรก็อัดนะรือเปล่าสี่ส กลายเป็นแปดนบีสอนว่าบุญญาลาหูไบตุนฟินยันนะเราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์ได้ไปสวรรค์แน่เนื่งให้อ่านกุณอ่านสองนมาจักขาดสามให้บริจาคข้อที่สให้ดิกรุลลค่าที่ 5, ห้าให้ให้ขอดูอาข้อที่หอย่าทาให้พ่อแม่เสียใจแม้แต่แม่เลี้ยงอะทำแล้วก็แฮปปีอ้อะ เราจะให้บุญราักษากับตัวเองเราวะกวาดแล้วข้อที่อะรข้อที่เจ็ให้ให้อาภัยกับคนน่ะคนที่ด่าเราว่าเรา <c oughs> แล้วข้อที่แปดอะไรก็จะสบัด make patient อดทนน่ <c oughs> ใครบ้างทำไมอดทนเนี่ยท่านทำไมมาเนี่ยมาฟังตำซีถ้าอดทนเปล่าโลวะกวาดอย่างนี้เป็นต้นเอาเอาเอาไอนคุยยาไปแล้ว ทุมมาสุบบูฟาอุกรอสิฮิมินะดาบิลฮามิมทุมมาสุบบูฟาอุกรอสิฮิมินะดาบิลฮามิมหลังจากนั้นหรือว่าแล้วซุบบูแปลว่าจงเทหรือจงราดใช่ไหมเอาน้ําร้อนเนี่ยมาราด นี่มันเรื่องจริงชนะกไปอูสลานเฝ้าก็บนเหรอสีสศีรษะของเขาหัวของเขาราดหัวน่ะใหะ้นี่เล่าให้ฟังละเอียดยิบขนาดนี้เพื่อข้าอ่านกุรอ่านเข้าใจง่ายๆจะไม่กล้าทำบาปมินาดาบิลเดฮรม เมิ้งปว่าจากอาซาบการลงโทษยะใหมน้ําเดือดเดือหามิม้งา ม, มิมันจะยะใหมฮามิมงแว่าน้ําเดือดเอาน้ําเดือดมันไม่ใช่รอยอะไรนะรอยฟารินไฮนะไม่รู้ว่ากี่พันฟารินไฮอะราติไหนราตินีสะนึกภาพเลย อ, อ, อ, อ, อัสตฟัฟเวโรโลหนังทะลอก ละตัวคนกาเฟสมาใช่เล็กขนาดนี้นะหนังอย่างเดียวนะ่ะเดินตั้งแต่กรุงเทพเชียงใหม่สามวันนะแล้วก็ทำไมต้องหนังนี่นะหนังนี่ลอกนะคิดดูสิมเจ็บขนาดไหนทำไมต้องทรมานกันี้ให้สำนึกผิดเพราะให้ชีวิตมาตั้ง80ปีบนดุนยานี้หาความสุขใส่ตัวนึกลืมนึกถึงผู้สร้างตัวเอง อ, อย่างนี้เป็นตน้นนางอุสวิเดนาเ็ก อัลลพี่น้องทั้งหลายครับตัวเรียก ว, ว่าในวันกียร์มากเนี่ยนะในทุ่งมาชาดเนี่ยนะพูดใหม่นะคนกาเฟสเนี่ยนานมากครับห้าหมื่นปีแต่คนมุสลิมท่านอัมดุลลาอิบนาเอามาดระดิลลอหวานนู้มากอลูฟฝายไอหนมุมินูนยาวมาอีดินก็ถามว่ามุสลินละอยู่อยู่ที่ไหนอ่ะมุสลิน อยู่ในทุ่งมัชาดนี่นะอัคราอัลหมุมินินมินซาตินมินนาฮารินคนมุมินนั้นใช้เวลาอยู่ในทุ่งมาาัสชัดในแค่ซาตันวันเอ้าเอหนึ่งชั่วโมงมินนาฮารของเวลาเกวันมาถึงโดยแมมตอบรอนี้วอบญัคยบานหัดิดฮัสันตรงว่าเราในถูกอยู่ทุ่งมัชาดไหมอยู่แต่อยู่นานไหมไม่นานครับแค่ชั่วโมงเดียวคนกาเฟสอยู่นานไหมนานครับกี่ปีครับ ห้าหมื่นปีเอาเรื่องเอาอยากอยู่นานก็อยู่สบายสบายไม่ต้องขมอารมณ์เลยอยู่แบบอิสระไปน้องกลางคืนก็นอนกี่ทุ่มก็ได้สุบบมาต้องตื่นก็ได้เปลี่ยนหน้าผู้หญิงนอนก็ได้เชิญตามสบายแต่เอ็งต้องไปอยู่ในทุ่งมัสยิเท่าไหรนะห้าหมื่นปีแต่ถ้าอยู่ตามนาบีตามซอฮบ้านนาบี อยู่ในทุกมาชานานแค่เท่าไรหนึ่งชั่วโมงมันทึกโดยแอมทอบบรอนีปั บ, บ, บนฮาเบนคดิทิฮัสันครต่อมาครับยัสุท้าย49่ซุกอินนะกะอันตัลางีจซุลกะรีมซุก อินกาอันตลาซีรุลคารีมยกไปว่าจงชิมจงชิมแต่ภรยาเอาแกงมาให้นิดหนึ่งพี่ชิมหน่อยสิอร่อยไหมเอเธอทำอาหารอร่อยจริงๆนี่มารยายของคนที่เป็นมุสลิมเพราะชิมนิดกูแดกไม่ลง อะไรกันว่าเฮ้ยออยู่บนโลกดุนยามอยู่อย่างนี้นะชีวิตคนน่ะุกจมชิมนะอินนะกะเนี่ยเล่าเองนะชิมการลงโทษแล้วก็เอาน้ำร้อนร้อนราดศีรษะแล้วก็น้ำเดือดในท้องคุณนะเพราะคุณเป็นไงครับอันตราอจิตตอนที่คุณอยู่บนดุนยาใบนี้นะยกตัวเองว่าเด่น อันตละลาจีตคุณเนี่ยยกตัวเองเป็นผู้อะไรนะผู้มีอำนาจเห็นไหมอำนาจอาลัลลอฮ์ให้ทุกคนได้อย่าถ่อมตนเธออย่าไปคุยเลยนี่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยเองวางตัวยังไงอันตละลาซีตคุณเนี่ยเป็นคนที่มองตัวเองว่าผู้มีอำนาจ อัลกุรีมผู้มีเกียรติในสังคมเห็นไหมอัลลอฮนะ์ให้เกียรติคุณอยู่แล้วเป็นมุหมินเนี่ยได้เกียรติอย่างจะมานั่งคุยทําไมอ่ะไม่ต้องไปคุยอัลลอฮ์อัลกุรอยัสฟานิลาฮุลลาดีนาอามานูอัลลอฮ์ยกยก่ยองให้เกียรติผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วัลลาีนาอูตุไลลมดาดาระจัและยกคนที่มีความรู้เหนือคนอื่นทั้งหลายอะไม่ต้องไปคุย ขอบคุณอัลลอฮฺสุจูตออัลลอฮฺเยอะๆเพราะว่านบีสุไลมานเนี่ยเข้าใจภาษามดใช่ไหมมดสั่งให้ลูกน้องว่าเข้ารู้นะเดี๋ยวสุไลมานจะพาทหารเดินผ่านมาจะเหยียบกูตายนบีสุไลมานรู้ภาษามดอยู่คนเดียวท่านทําตัวยังไงท่านกางังเลยกูแน่ปลาสุยุธทำไมไม่เอารูปแบบนี้มาใช่เพราะเป็นอัคลาของนบีเห็นไหม นันอย่าเอาอัคราคของยัฮูดีมาใชา้อย่าเอาอัคราคของฟาโรมาใชา้อย่าเอาอัาคลาของกอรูนมาใชา้แต่เอาอัาคลาของนบีทั้งหมดที่อัลลอฮ์ส่งมาในโลกเอามาปฏิบัติและสุนัขมูฮัมหมัดนี่ทิ้งไม่ได้เลยนะครับจะเข้าห้องน้ำโดยเท้าอะไรเท้าซ้ายจะออกโดยเท้าขวาอย่าเริ่มอ่านดุอาก่อนเข้านะจะออกจะออกนอกบ้าน นี่ข่าวมันออกมาทุก ว, วั น, นถูกยิงถูกนู่นถูกนี่ผมก็นึกนะนึกแทนเขาเอ็งออกจาก บ, บ้านมาได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้กล่าวดูอาใช่ไหมบิสมิลลาหอะไร บ, all all ah. บิสมิลลาหบิสมิลลาฮฺตาวะ ก, กันตุวะลอหละวะลาฮฺวะลวะลากูวะตาอิลลานี่ดูอารย์อย่าดูถูกไม่ได้คนที่ดูถูกนออาไม่ใครฟิรอน ว่งไงทำไม uni, a, จะรู้นี่อักตุลมูซา왈ยันอุลบะฮฉันจะฆ่ามูซาเนอัลลอฮฺเก็บภาษาของฟื้นอ้นเอาไว้น่ะ왈ยัดเราให้เขานั่งขอดุอายตอบอัลลอฮฺไปเถอะดุามีอะไรฉันอย่าดูถูกดุาจะนั้นดุาทําให้เราอยู่ได้ถึงวันนี้มีสุขภาพแข็งแรงเพราะดุานะครับเพราะเรานนามาเพราะเราอ่านดุาสามกุญก่อนนอนใช่ไหม รูปศีรษะทั้ทงตัวนี้ดูอาทั้งหมดนี่ปกป้องวิทนาอาสาบนที่นอนเราเต็มไปหมดเลยต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยนะครับหมดเวลาครับสุฮานะกัลลอฮุมะวะ บ, บิฮัมดิกะอัชชาดัลลาอิลาอิลาอลาอันตะอัสตัะฟุร์ ก, รกวาวะตูบุิลลาอิลล า, ามมอนบ้าน